เรื่องเต่าตาบอดกับช่องแอกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในสังยุตตนิกายมหาวารคสัจจสังยุตปปาตะวักที่หชิกระสูตรที่หนึ่งว่าด้วยการเกิดเป็นมนุษย์ยากและสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ในอวัยภูมิทั้งสดังนี้ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษโยนแอบซึ่งมีช่องเดียวลงไปในมหาสมุทรต่าตาบอดมีอยู่ในมหาสมุทมนั้นต่อร่วงร้อยปีร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นค่าวหนึ่งข่าวหนึ่ ง, งเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชไหนต่าตาบอด น, นั้นต่อร่วงร้อยปีร้อยปี มันจะโผล่ขึ้นค่าวหนึ่งขาวหนึ่งจะสอดคอให้เข้าไปในแอดซึ่งมีช่องเดียวโน้นได้บ้างหรือหนอพิสุทธ์ทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าร่วงการนานไปบางครั้งบางคราวเต่าจะสอดคอให้เข้าไปในแอดนั้นได้บ้างดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเต่าตาบอด ต่อร่วงร้อยปีร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นข่าวหนึ่งข่าวหนึ่งสอดคอให้เข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวโน้นยังจะเร็วกว่าเราย่อมกล่าวความเป็นมนุษย์เพราะคนผ่านผู้ไปสู่วินิบาตแล้วข่าวเดียวก็หามิได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าในวินิบาตนี้ไม่มีการประพฤติธรรม การประพฤติชอบการกระทำกุศลการกระทำบุญมีแต่การเคี้ยวกินกันและกันการเคี้ยวกินผู้มีกำลังน้อยกว่าย่อมเป็นไปในวินิบาทนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่เพราะเหตุนี้ถ้าเราตกไปสู่อบายภูมิสี่แล้วย่อมยากยิ่งที่จะได้เกิดในหมู่มนุษย์ หรือในหมู่เทวดาอีกไม่สำคัญว่าเราจะรวยหรือจนจะหน้าตาดีหรือขี้เหร่มาตรฐานการดำรงชีวิตจะสูงหรือต่ำการที่จะไม่ตกไปเกิดในหมู่สัตว์นรกในหมู่เปรตอสุรกายในหมู่สัตว์ดิรชานเราจาต้องทำแต่ความดีทางจมหรือทางลอย มนุษย์เราทำกรรมสองชนิดคืออกุศลกรรมและกุศลกรรมฉะนั้นเหมือนกับสแสวงหาทางไปเพียงสองทางคือทางจมลงหรือทางลอยไปจิตที่ประกอบด้วยโรกิยะกุศลปราถนาเกิดในสุขติภูมิเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่มีความสุข ก็ยังจะรอยไปในวัฏฏะสงสารพยายามแหวกว่ายเพื่อให้รอยอยู่ได้นานๆดูเหมือนว่าการรอยจะดีกว่าการจมแต่เมื่อรอยไปนานๆพอหมดกำลังก็ต้องจมลงเช่นกันการจมลงเป็นเหมือนการได้พบชาติใหม่ในทุกคติอบายภูมิการรอยไป เป็นเหมือนการได้พบชาติใหม่ในสุขติภูมิแม้ว่าการเกิดในหมู่มนุษย์หรือเทวดาจะดีกว่าเกิดในอบายภูมิก็ตามแต่ตราบใดที่ยังมีพบชาติก็ยังต้องมีการเกิดการแก่การตายความโศกเศร้าความขมควน ร, รำพันความทุกข์กายความโทมนัส และความคับแค้นใจล้วนเป็นทุกข์นี้คือทุกข์ที่ติดตามมาจากการได้พบชาติใหม่คือการเกิดแม้ว่าเราจะไม่ต้องการความทุกข์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะการเกิดเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งปวงเราจรึงไม่อาจจะเป็นอิสระจากกองทุกข์ทั้งมวลนี้ได้พระพุทธเจ้าตัดเพื่อประโยชน์แห่งสรรพสัต ที่ถูกปิดบังด้วยความไม่รู้คือโมหะอวิชามีความหลงผิดเห็นผิดเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่จะรู้ได้ด้วยตนเองจึงเป็นคำตัดสอนที่ทรงคุณค่ายิ่งสำหรับมนุษย์ทุกคนแม้เราจะทราบว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาแต่เมื่อเรากำลังรอคอยชั่วโมงสุดท้ายแห่งชีวิต เรากลัวตายเราสะดุ้งต่อความตายเราโทมนัตข่ำครวนและสับสนเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดแสดงในอังคุตรนิกายจากตุกนิบาทจาตุถะปัญ น, นาโยธาชีววั์ที่สี่อภยสูตรว่าด้วยบุคคลสี่จำพวกย่อมสะดุ้งต่อความตายดังนี้ ครั้งนั้นแหละพามชื่อชานุโสณีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทพบได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคคั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้กับทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระเจ้ามีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสัตผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายไม่มีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์สัตผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายมีอยู่ สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายมีอยู่ดูก่อนพราหมณ์ก็สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายเป็นไฉนะบุคคลบางคนในโรคนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรัก ยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเล่าร้อนยังไม่ปราศจากความทยานอยากในกามทั้งหลายได้แก่วัตถุกามเช่นสามีพันยาบุตรธิดาบ้านเรือนแก้วแหวนเงินทองช้างมา้าวัวควายไรนาสวนเป็นต้น เมื่อมีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าการอันเป็นที่รักจกละเราไปเสียระหนอและเราก็จะต้องละกามอันเป็นที่รักไปเขาย่อมเศร้าโศกย่อมลำบากใจย่อมราไรทุบอก ข้าควรถึงความหลงไหลดูก่อนพราหมณ์บุคคลนี้แลผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายบุคคลเช่นนี้ย่อมตายด้วยสามโมหะมรณะวันไหวตกใจกลัวจะไปสู่พบที่ดีได้อย่างไรอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเล่าร้อนยังไม่ปราศจากความทะยานอยากในกายได้แก่ผู้ที่หลงรักรูปโฉมตนเองบำรุงบำเรอตนด้วยอาหารเสื้อผ้าหรูหราเครื่องประทินโฉม เครื่องประดับมีค่าเมื่อมีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่ากายอันเป็นที่รักจักละเราไปละหนอและเราก็จักละกายอันเป็นที่รักไปเขาย่อมเศร้าโศดูก่อนพราหมณ์แม้บุคคลนี้แล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 ไม่ได้ทำความป้องกันความกลัวไว้ทำแต่บาปทำแต่กรรมที่หยาบชา้าทาแต่กรรมที่เศร้าหมองดูก่อนผู้เจริญคติของคนไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำความป้องกันความกลัวทำแต่บาปทำแต่กรรมที่หยาบชา้าทำแต่กรรมที่เศร้าหมองมีประมาณเท่าใด เมื่อใกล้จะตายกรรมชั่วที่เคยทำประจำจะปรากฏในจิตย่อมเห็นทุกขติอบายภูมิเป็นที่ไปเราระไปแล้วย่อมไปสู่สุขตินั้นเขาย่อมเศร้าโศกดูก่อนพราหมณ์แม้บุคคลนี้แลผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตาย บุคคลเช่นนี้ย่อมตายด้วยสามโมหะมรณะวันไหวตกใจกลัวจะไปสู่ภพภูมิที่ดีได้อย่างไรต้องไปสู่ทุกคติภูมิสถานเดียวเท่านั้นอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความสงสัยเครือบแคงในเรื่องแปดประการคือหนึ่ง พระพุทธเจ้ามีจริงหรือ 2. พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดสรุมีจริงหรือ 3. พระอริยสาวกมีจริงหรือ 4. ส, สงสัยในศีลสมาธิปัญญา 5. าอดีตชาติที่ผ่านมามีจริงหรือ 6. อนาคตชาติภายหน้ามีจริงหรือ 7. อดีตชาติอนาค ต, ตชาติขันในอดีตขันในอนาคตทั้งสองนี้มีจริงหรือ 8. อวิชชาเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณเหล่านี้เป็นเหตุและเป็นผลของปฏิจจสมุปบาทนั้นจริงหรือ บุคคลที่มีความรังเลสงสัยในเรื่องแปลประการนี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ถึงความตกลงใจในพระสัธรรมไม่มีความสามารถแยกแยะได้ถูกต้องเพราะไม่เคยศึกษาเล่าเรียนเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่เคยปฏิบัติตามหลักปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทจึงมีความเคลือบแคงความรังเลใจ บุคคลเช่นนี้เมื่อมีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตตกอย่างนี้ว่าเรามีความสงสัยเครือบแคงไม่ถึงความตกลงใจในพระรัตนตรัยเขาย่อมเศร้าโศกดูก่อนพราหมณ์แม้บุคคลนี้แลมีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตาย เป็นสามโมหะมรณะจะไปสู่พบภูมิที่ดีได้อย่างไรดูก่อนพราหมณ์บุคคลสี่จำพวกนี้แลมีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายท่านคิดว่าดีไหมถ้าท่านรวมอยู่ในบุคคลสี่จำพวกนี้ที่สะดุ้งกลัวต่อความตาย ผู้ภาคภูมิใจในตนเองและประมาทไม่ได้ทำกิจที่ควรทำเราควรใคร่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบกองทุกทั้งปวงเกิดขึ้นเนื่องจากการมีพบชาติจึงไม่ควรสรรเสริญพบชาติใดๆเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดในเอกนิบาตว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนคูด แม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นฉันใดพบแม้เพียงเล็กน้อยก็ฉันนั้นเหมือนกันเราไม่สรรเสริญโดยที่สุดแม้ชั่วการเพียงรัดนิ้วมือเดียวเลยคำกล่าวนี้อาจทำให้เข้าใจได้ว่ามนุษย์เรากำลังทำอะไรการกระทำของเราทั้งหมดเพื่อนำเราไปในสองทางนี้คือ ทางจมและทางรอยทางจมคือการกระทาที่เป็นอกุศลนำไปเกิดในอบายภูมิสีทางรอยคือการกระทาที่เป็นกุศลนำไปเกิดในสุขติภูมิเป็นมนุษย์เทวดาหรือพรหมการกระทำอกุศ ล, ลกรรมคือคำกล่าวว่าเมื่อใดเรายังพักอยู่ การกระทำกุศล ก, กรรมคือคากล่าวว่าเมื่อใดเรายังเพียรอยู่การตั้งอยู่ในอกุศลส่งผลให้ไปสู่อบายภูมิสี่เรียกว่าทางจงการเพียรทำกุศลส่งผลให้ไปสู่สุขติเป็นมนุษย์เทวดาหรือพรหมเรียกว่าทางลอยถึงตอนนี้ ท่านคงเข้าใจแล้วว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ดังนั้นอัตมาขอถามต่อว่านับจากนี้ไปกิจใดที่ท่านควรทำกิจที่ควรทำพระพุทธดำรัสตอบแก่เทวบุตรในโอคะตรณะสูตรทรงแสดงให้เห็นว่า เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะข้ามโอคะข่วงน้ำวนที่ข้ามได้ยากดังนี้ท่านผู้มีอายุเมื่อใดเรายังพักอยู่เมื่อนั้นเรายังจมอยู่โดยแท้เมื่อใดเรายังเพียรอยู่เมื่อนั้นเรายังลอยอยู่โดยแท้ท่านผู้มีอายุเราไม่พักเราไม่เพียร ข้ามโอเคได้แล้วอย่างนี้แลคำตัดว่าเราไม่พักเราไม่เพียรข้ามโอกคได้แล้วมีความหมายว่าอย่างไรในอัถกถาอธิบายว่าเราไม่พักเราไม่เพียรหมายถึงการดำเนินตามทางสายกลางทางสายกลางหมายถึงทางปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพาน คืออริยอัดถังคิกกรรมเมื่อเทวดาท่านนั้นฟังจบก็เห็นแจ้งแทงตลอดพระอริยสัจ ส, สี่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในทันทีแล้วเทวดาท่านนั้นจึงกล่าวคาถานี้ว่าจิรัสสังวะตาปัตสามิพรามนางังปาริณิพุตังอปติทังอนายูหัง ตินังโรเกวิสัตติกันตินานหนอข้าพระเจ้าจึงจะเห็นขีนาสวะพรามผู้ดับรอบแล้วไม่พักไม่เพียรอยู่ข้ามตันหาเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในโลกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระบัจเจกะพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทุกองค์ทรงข้ามโอคะสี โดยการไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่ทรงปฏิบัติตามอริยะอัดถังคิกมักจึงทรงตัดสรุ้อริยสัจ ส, สี่ทรงเห็นแจ้งพระนิพพานพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมาจากกัปปวัตนนสูตรตถาคตสูตรที่หนึ่งแก่ปัญจวคีที่ป่าอิสิปตนมฤรทายวันและทรงแสดงอริยะอัดถังคิกมัก คือมักมีองแปะสรุปลงในไตสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาพระไตสิกขาทำไมอย่างไรเพราะเหตุใดท่านจึงมาปฏิบัติธรรมบางท่านตอบว่าเพราะการปฏิบัติธรรมทำให้สงบเป็นสุข บางท่านก็ตอบว่าเพราะชีวิตเป็นทุกข์เพราะเหตุใดคนเราจรึงเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เพราะเราทำให้คนอื่นเดือดร้อนบ้างเพราะคนอื่นทำให้เราเดือดร้อนบ้างไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาบ้างได้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาบ้างการทำสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ว่าทางกายวาจาใจ ไม่แต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ผู้ทำอกุศลเองก็ต้องทุกข์ไม่อาจเป็นสุขได้เช่นกันไม่มีผู้ใดที่มีเจตนากระทมอกุศลเพื่อให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วตนเองจะยังสงบสุขอยู่ได้ที่แท้แล้วจิตเดิมนั้นประภัสสนแต่เป็นเพราะเราตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสที่จรเข้ามา จึงทำให้เราทำอกุศลฉะนั้นหากเราต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์เราจำเป็นต้องทำกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสวิธีทำกายและวาจาให้บริสุทธิ์คือการรักษาศีลศีลข้อที่หนึ่งคือระเว้นจากการทำชีวิตให้ตกร่วง นี้เป็นการรักษาตนทางใดบางท่านตอบว่าทางใจแต่ว่าในภาคปฏิบัติต้องลงมือทางกายจึงจัดเป็นการเว้นจากทุจริตทางกายสัตว์ที่เราฆ่าก็เป็นทุกข์ถึงตายเราก็ต้องตกนรกสีลข้อที่สองคือระเว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ เพราะเจ้าของต้องเป็นทุกข์เราเองก็จะสุขน้อยแต่จะทุกข์มากนี้ก็เป็นการเว้นจากทุจริตทางกายสินข้อที่สคือระเว้นจากการประพฤติผิดทางการมเพราะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเป็นทุกข์เราเองก็จะสุขน้อยแต่จะทุกข์มากนี้ก็เป็นการเว้นจากทุจริตทางกาย สินข้อที่สคือระเว้นจากการพูดเท็จการพูดคำหยาการพูดส่อเสียดยุโยงให้แตกแยกและการพูดเพ้อเจ้อไรสาระนี้เป็นการเว้นจากวาจาทุจริตสีสินข้อที่หคือระเว้นจากการเสพสุราของมึนเมายาเสพติดเพราะทำให้ประมาทมัวเมา นำไปสู่การทำทุจริตทางกายและวาจาได้โดยง่ายสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมการรักษาศีลแปดหรือศีลสิบก็จะทำให้ปีกตัวปีกใจลดละจากการมสุขได้มากขึ้นทุกน้อยลงและจิตสงบได้ง่ายขึ้นถ้าศีลไม่บริสุทธ ก็เป็นการยากที่จะเจริญสมาธิได้ในอริยะอัตถังคิกามักสัมมาสมาธิหมายถึงสมาบัติแปดรวมถึงอุปจาระของแต่ละชานนั้นเมื่อจิตสามารถตั้งมั่นที่ปฏิภา ค, คานิมิตได้นานสองถึงสามชั่วโมงได้หลายบรรลังต่อเนื่องกันจึงจะถือว่า จิตตั้งมั่นเรียกว่าจิตตะวิสุทธิคือบริสุทธิ์จากนิวรณ์หเพียงชั่วข่าวจิตที่ตั้งมั่นด้วยสมาธิจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงในการเจริญปัญญาดังพระพุทธดำรัสในสมาธิสูตรว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ พิสุผู้มีใจตั้งมั่นย่อมรู้ตามความเป็นจริงการทำจิตให้บริสุทธิ์ตัดขาดจากกิเลสได้อย่างถาวรต้องเจริญปัญญาโดยเจริญสมาธิจนจิตตั้งมั่นแล้วจึงกำหนดดูรูปนามในระดับปรมัภิษฐ์ จ, จะเช่นรูป28จิตและเจตสิก ทั้งกุศลและอกุศลพร้อมทั้งเหตุปัจจัยเพื่อย่อยสลายความเป็นก้อนแห่งสังขารออกไปแล้วจึงพิจารณารูปนามปรมัติ์โดยความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตภายในภายนอกจนวิปัสสนาญาณแก่ก้าก็กจะเบื่อหนาย ไม่อภิรมยินดีในสังขารใดๆเป็นผู้มีใจน้อมไปในพระนิพพานอันกเกษมพระอริยมรรคจะประหารกิเลสไปตามลำดับจนถึงพระอรหัตตมรรคก็จะตัดกิเลสหมดจดเด็ดขาดข้ามโอคะสี่ที่ข้ามได้ยากหลุดพ้นจากวัตตะสงสารชาติสิ้นแล้ว ไม่มีการเกิดอีกต่อไปขออํานวยพรให้ทุกท่านสามารถเจริญไตสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาได้อย่างถูกต้องตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนขออํานวยพรให้ท่านทั้งหลายสามารถข้ามโอคาสีที่ข้ามได้ยากขออํานวยพรให้ท่านทั้งหลาย ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในการไม่ช้านี้ทุกท่านเทินเจริญพรและเมตตาเรวตะพิขุศูนย์ปฏิบัติธรรมนา น, นาชาติพระอาตอยะเมืองเมระเมียงรัฐมอญเมียนมาหมายเหตุพระอาจารย์เรวตะ แสดงพัทธมเทสนานี้เป็นภาษาอังกฤษดังนี้วันที่ส0บตุลาคมพุทธศักราช2548นณพระอาตอยะเมืองเมอระเมียงรัดมอนเมียนมาเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2548นณวัดชองรินและไตสรณะสิงคโปร์ เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2551ณประเทศเกาหลี